Thank you.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 เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านกวีนเรียบร้อยแล้วสองพ่อลูกก็ปรึกษากันในเรื่องการเดินทางและอื่นๆสุรเสนาถามว่าข้าแต่ท่านบิดาเราออกเดินทางในเดือนกิตรระและตามกำหนดว่าจะไปพักฤดูฝนในกรุงสาวัตถีแต่การเดินทางของเราคงจะลาดช้าในระหว่างทางอยู่บ้างพอย่างเข้าเดือนเวสาขะฝนก็จะเริ่มมีมาประปราย แต่ในเดือนเช่นนั้นบางปีฝนก็ตกหนักในปีนี้ถ้ามีฝนตั้งแต่เดือนเวสาขเราจะมีลำบากในหนทางหรือดูก่อนสุรเสนะระหว่างเดินทางมาจากแคว้นกาสีเจ้าได้สังเกตอะไรตามริมฝั่งแม่น้าคงคาหรือไม่เกี่ยวกับฝนในปีนี้ข้าแต่ท่านบิดาลูกไม่ได้สังเกตเห็นอะไรนอกจากเห็นดินบ้างสายบ้างต้นไม้บ้างน้าที่ไหลบ้าง ตามปกติธรรมชาติของมันดูก่อนสุรเสนะท้าเจ้าสังเกตจะเห็นนกที่ทํารังตามต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำองคานั้นทํารังต่ำกว่าปกติและปูซึ่งขุดรูอยู่ตามริมน้ำก็วิ่งเข้าออกไปมาตามรูที่ขุดไว้ต่ำหากได้ใช้รูตอนที่สูงขึ้นมาไหมแสดงว่าในปีนี้ฝนจะแรงยิ่งกว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นในฤดูฝน แม้จะมีฝนบ้างก็ไม่ชุกนักและยิ่งในเดือนเวสาค่ะหรือเดือนเชิดถะซึ่งเราเดินทางอยู่อุปสรรคเรื่องหนทางเป็นลมคงจะไม่มีเป็นแน่ข้าแต่ท่านบิดาเราสังเกตฝนด้วยอาศัยสตัตว์ข้อนี้จะแสดงว่าสัสตว์มีความสามารถกว่ามนุษย์ได้หรือไม่ดีละพ่อจะลองถามเจ้าถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เจ้าสังเกตก่อนแล้ว จึงจะตอบคำถามของเจ้าต่อไปเจ้าคงไม่เคยได้ยินว่าคนที่เดินเรือค้าขายทางทะเลเขานำนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกหาฝั่งไปด้วยเมื่อเวลาชาวเรือหลงทางไม่รู้ว่าจะข้อหาฝั่งทางไหนเขาก็ปล่อยนกชนิดนั้นให้บินไปสู่ทิศต่างๆแล้วคอยสังเกต ด, ดูว่ามันกลับมาสู่เรือทางทิศไหนและในทิศไหนนกที่ปล่อยไปไม่บินกลับมาเลย จาลองนึกหาเหตุผลดูว <im> <co> ่าด้วยการทำอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าฝั่งทะเลอยู่ทางทิศไหนเมื่อสุรเสนาตอบว่าไม่ทราบทนิยะจึงกล่าวต่อไปว่านกชนิดนี้เมื่อปล่อยไปแล้วมาสู่เรืออีกแสดงว่ามันหาฝั่งไม่พบ ถ้าไม่กลับมาสู่เรืออีกแสดงว่ามันหาฝั่งพบแล้วมันก็บินไปเกาะอยู่ในที่ต่างๆตามปรารถนาของมันต่อไปสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีอยู่เป็นอันมากที่อยู่นอกเหนือความสังเกตของสามัญชนสัตว์บางชนิดอาจมีตาหูจมูกลิ้นกายอันว่องไวกว่ามนุษย์เพราะความจำเป็นในการดารงอยู่แห่งชีวิตและพืชพันธุ์ของมันเช่นสัตว์บางเหล่าอาจเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน บางเหล่ามีหูไวจะหมูกไวเป็นพิเศษบางเหล่าเหินไปได้ในอากาศด้วยปีกบางเหล่าอยู่ในน้ำได้โดยไม่จมน้ำตายและบางเหล่าฝังตัวอยู่ใต้ดินไม่อึดอัดมองโดยส่วนหนึ่งอาจเห็นว่ามันสามารถกว่ามนุษย์แต่ถ้ามองด้านจิตใจแล้วจะประจักษ์ว่าสัตว์เหล่านี้เคยเป็นอยู่กันมาอย่างไรในพันพันปีก่อนในปัจจุบันก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนี้มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้เจริญกว่าทางจิตใจจึงสามารถจับวัวควายช้างมา้าอันเป็นสัตว์ใหญ่โตแข็งแรงมาใช้งานได้ดังประสงค์แม้ในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ที่จะนับถือว่าดีเลวกว่ากันนั้น<อ>ก็มีความเจริญแห่งจิตใจสูงตามกว่ากันเป็นเหตุสําคัญในหมู่คนเราก็มีการดูหมินเยียดย้มกันประนันสัตว์เช่นคนผู้เกิดในวันน่าสูดจะเข้าใกล้ใครไม่ได้ต้องแยกกันอยู่เป็นหมู่ เวลาเดินไปไหนก็ต้องเลกทางให้ผู้ที่มีวรรณะสูงกว่าในระยะห่างเจ้าคงรู้จักคนพวกนี้แต่คงไม่เคยเห็นในวันพรุ่งนี้เมื่อบรรทุกสินค้าใส่เกวียนเสร็จแล้วพ่อจะให้ติมพรุพาเจ้าไปม้าสามตัว มีคนขับควบวิ่งตามกันไปนอกประตูเมืองราชกฤชเรียบฐานน้ำเล็กๆตามแนวเขากาละกูดเมื่อเลี้ยวไปทางขวามือก็ถึงหมู่บ้านมุงแฝกเรียงรายเป็นแนวยาวไปตามที่ลาดแห่งเชิงผาความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ในการก่อนไม่ผิดอะไรกับสัตว์คนเหล่านี้จะนุ่งห่มผ้าสีดำหรือสีมนและโดยปกติผู้ชายจะไม่ใช้ผ้าห่มเมื่อได้นุ่งหรือห่มแล้ว ก็ไม่มีการซักฟอกทำความสะอาดเพราะประเพณีห้ามเอาไว้ต้องนุง่งหรือห่มอย่างนั้นจนกว่าจะขาดใช้การไม่ได้เมื่อเห็นคนที่นุ่งผ้าสีอื่นอันแสดงวันหน้าสูงกว่าก็จะต้องหลีกให้ห่างอย่างน้อยส2สองศอกจึงเป็นอันไม่ต้องกล่าวว่าคนเหล่านี้จะกินอาหารร่วมกับใครได้การงานประจำวันคือการรับจ้างที่ต้องออกแรงแบกขามหรือขุดดินบ้างก็ทาไร่ทานา และแรกเปลี่ยนข้าวและผลไม้กับเครื่องใช้ต่างๆในระหว่างพวกที่นุ่งห่มดำด้วยกันคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิจะเข้าไปในมัสการในเทวสถานสำหรับมหาชนเพื่ออ้อนวอนบูชาต้องสร้างเทวสถานมุงแฝกของตนขึ้นเองตามมีตามเกิดความรู้สึกซึ่งสั่งสอนตกทอดกันมาแต่ปางก่อนคือพวกตนเป็นคนชาติต่าช้าจะเข้าใกล้คนชาติสูงไม่ได้ และถ้าฝืนระเบียบประเพณีนี้ก็จะประสบความเสื่อมมีประการต่างๆคนวันนะาสูตรนี้จึงชื่อว่าดูหมิ่นตนเองด้วยเต็มใจเพื่อทำเช่นนั้นเพราะมีความกลัวตอ่อภัยพิบัติด้วยเรื่องสำคัญที่สุดของประชาชนทั้งหลายคือต้องจำชื่อและเชื้อสายแห่งบรรพบุรุษของตนให้ได้อย่างน้อยเจ็ดชั่วคนเพื่อจะได้รู้ว่าตระกูลของตนมีเชื้อสายแห่งบรรณะอันบริสุทธิ์หรือไม่ ผู้ที่ระวังความบริสุทธิ์แห่งวงตระกูลของตนมากคือกษัตริย์พราหมณต่างไม่ยอมร่วมกินร่วมนอนกับคนต่างชั้นพราหมณ์บางคนที่เขร่งครัดเมื่อเห็นคนชั้นสูตรอันเป็นคนชั้นต่ำก็ดีเห็นคนจันทาน์หรือคนที่บิดามารดาต่างวันณะผสมกันก็ดีถือว่าได้เห็นสิ่งอันเป็นเสนียดแก่ตาถึงกับล้างตาด้วยน้ําก็มีและชนในวรรณะสูตรนี้ยังแบ่งเป็นวรรณะย่อยออกไปอีกมากหลาย แต่และพวกที่แบ่งแยกออกไปเล่าก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและเครื่องนุ่งห่มเฉพาะอย่างต่างกันตามท้องถิ่นนั้นผู้ที่ลงจากหลังม้าเป็นคนแรกคือติมพลุผู้ได้รับความไว้วางใจจากธนิยะให้พาสุรเสนะมาดูหมู่บ้านสูตรนี้พร้อมทั้งชาวขับเกวียนอีกคนหนึ่งเมื่อได้มอบให้ชาวขับเกวียนดูแลม้าไว ติมพุกก็เชิญสุรเสนะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นความคาดหมายเดิมของติมพุกผิดพลาดไปสิน้นแทนที่จะได้เห็นชาวสูดแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มสีดําหรือสีมลดังเคยเห็นมาแต่ก่อนกลับพบ ว, ว่าพากันนุ่งห่มผ้าสีขาวสะอาดและในสมัยอื่นเมื่อเห็นคนต่างวรรณะเข้ามาก็พากันวิ่งหนีหลบซ่อนด้วยเกรงว่าตนจะเข้าไปใกล้คนสูงวรรณะกว่าบัดนี้ กลับปรากฏว่าไม่มีใครแสดงอาการพรั่นพรึงซ่อนเร้นหรือถอยออกห่างดังแต่กอนลักษณะแห่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็สะอาดตาขึ้นผิดปกติสตรีผู้หนึ่งเดินออกมาจากโรงกระเดื่องรับบุตรน้อยจากสามีมาอบกอดและให้บุตรนั้นฟ้อนอยู่ที่อกของนางบางผู้นำน้ำมาจากบอ่อทูลศีรษะด้วยท่าทางอันร่าเริงและชาวบ้านหมู่นั้น เมื่อเห็นอคันตุกะแปลกหน้ามาก็เข้ามาซักถามด้วยอาการอันสำแดงไมตรีจิตติมพรุไต่ถามถึงที่อยู่ของนายบ้านพวกเขาก็ชี้มือไปหน้าเรือนแห่งหนึ่งซึ่งปลูกใดญ่โตเป็นพิเศษขณะนั้นนายบ้านกําลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านมีผู้คนเดินควักไขว่ด้านนอกเรือนซ้ายมือมีคนกําลังกรอได้อีกทางหนึ่งกําลังทอผ้าเป็นผืนเมื่อติมพรุ พาสุรเสนเข้าไปหาทาคาระวะนายบ้านแล้วก็แจ้งความจำหนงของตนว่านายบ้านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นพวกพ่อค้าเกวียนเดินทางมาแต่กาศีชนบทจะไปต่ อ, อยังแคว้นวัดชีวันนี้นายของข้าพเจ้าให้พาบุตรหนุ่มของท่านคนนี้มาดูหมู่บ้านของท่านข้าพเจ้าจึงมาขอความเอื้อเฟื้อจากท่านเพื่อได้รับอนุญาตให้เที่ยวชมได้ดูก่อนอาคันตุกะ ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเชิญ น, นั่งพักดื่มน้ำให้หายเหนื่อยหน่อยก่อนเถิดแล้วจึงค่อยเดินดูหมู่บ้านติมปรุปและสุรเสนะได้ตามนายบ้านไปนั่งพักนัตตังยาวในชายคาแล้วจึงถามขึ้นว่านายบ้านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยผ่านมา ในสมัยหลายปีก่อนโน้นประชาชนในหมู่บ้านนี้นุ่งห่มดำคอยหลบหนีไม่เข้าใกล้ความเป็นอยู่ก็ดูแร้นแค้นบ้านเรือนก็สกปรกไม่น่าดูข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนไปก็ให้รู้สึกสงสัยอยู่เหตุไฉนท่านจึงพากันมานุ่งห่มผ้าขาวสะอาดและละเลิกประเพณีของตนเสียดูกร อ, อาคันตุกะสมัยก่อนเราเป็นชาติสูตร เป็นคนวันหน้าต่ำที่สุดเราจึงต้องเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราพ้นจากความเป็นสูตรแล้วเราจึงเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราในบ้านผู้เจริญครัพระเจ้ายิ่งสงสัยหนักขึ้นชาติของคนนั้นกลับกลายได้อย่างไรท่านจึงว่าท่านพ้นจากความเป็นสูตรแล้วดูก่อนอคันตุกะท่านรู้จากพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่พระองค์ เป็นศาสดาของรพระพเจ้าชาวบ้านขับเวียนทั้งหลายทำไมข้าพเจ้าจะไม่รู้บัดนี้พวกเราได้เกิดใหม่เป็นบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชาติของเราจึงเปลี่ยนไปดูก่อนอคันตุ ก, กะสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาปรดพวกเราชาวชั้นต่ำพระองค์ได้ห้ามไม่ให้พวกเราหลบนี้ทั้งที่พระองค์เป็นชาติกษัตริย์เมื่อได้เรียกพวกเรา ให้ไปประชุมกันแล้วก็ทรงสั่งสอนชี้เหตุผลและประธานชาติใหม่ให้ใจพวกเราทั้งได้ทรงแนะนำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นพระองค์ทรงสั่งสอนพวกท่านอย่างไร่เล่าท่านนายบ้านขรป เ, เจ้าใคร่จะฟังไว้ประดับความรู้บ้างพระองค์ให้พวกเราหาไม้แห้งต่างๆมาเท่าที่จะหาได้เช่นไม้มะเดือ่อไม้ตะเคียนไม้จิกครั้นแล้ว ให้จุดไฟขึ้นเมื่อไฟติดแล้วจึงให้พวกเราดูว่าเปลวไฟก็ดีแสงไฟก็ดีสีของไฟก็ดีอันเกิดจากไม้ต่างชนิดกันนั้นมีลักษณะผิดแผกกันอย่างไรบ้างเมื่อเราเห็นเปลวไฟแสงไฟสีไฟเป็นอย่างเดียวกันพระองค์จึงตรัสว่าคนเรานั้นจะเกิดในชาติกระสัตรพรามแพทย์หรือสูตรก็ตามทีถ้าทาความดีแล้วก็ได้รับผลชื่อว่าเป็นคนดี ถ้าตรงกันข้ามคือทําความชั่วแล้วก็รับผลเป็นความชั่วและเป็นคนชั่วคนชั่วคนดีในศาสนาของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดหากอยู่ที่การกระทําเพราะฉะนั้นใครก็ตามไม่เลือกชั้นวรณะย่อมมีสิทธิที่ออกบวชประพฤติพระมาจรรันเสมอกันหมดหรือแม้จะไม่บวชพอใจจะเป็นขนาดตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประพฤติผิดเลวสามต่ําช้าก็ชื่อว่า เป็นผู้สูงสุดโดยคุณธรรมพระองค์ตรัสเล่าว่าสมัยหนึ่งพระองค์ประทับนโคนไม้ในฤดูหนาวมีหิมะตกพระรามผู้หนึ่งเข้ามาถามพระองค์ว่าเป็นชาติอะไรพระองค์ตรัสตอบว่า ท่านอย่าถามถึงชาติเลยจงถามถึงความประพฤติดีกว่านี้แสดงให้เห็นหลักธรรมในศาสนาของพระองค์ว่ามุ่งอย่างไรจำเดิมแต่พวกเราได้ฟังธรรมและได้รับชาติใหม่ก็เท่ากับเป็นโอรสของพระองค์ในทางธรรมแล้วพวกเราก็ตั้งกฎขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วจะต้องเปลี่ยนความประพฤติด้วยผู้ใดก็ตามถ้าปรากฏว่าเป็นผู้ลักช่อล่อลวง หรือประพฤติเลวสามแล้วจะต้องถูกขับออกจากหมู่บ้านให้ไปอยู่นอกเขตและคงกลายเป็นชาติสู่ตามเดิมเว้นแต่จะกลับตัวตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีต่อไปจึงจะยอมรับให้กลับเข้าส <ik, S 1> <B obs> ู่หมู่อีกเมื่อนายบ้านเล่าให้ฟังดังนั้นแล้วก็พาติมพรุ และสุรเสนาออกเดินชมหมู่บ้านต่อไปบ้านเหล่านี้แม้มุงได้ย่าแฝกแต่ก็สร้างอย่างมีระเบียบมีทางเดินติดต่อถึงกันบ่อน้ำขนาดธรรมดามีอยู่ประจำเคียงหน้าบ้านแทบทุกแห่งบนเนินเขาที่สูงขึ้นไปมีสวนมะม่วงและไม้ล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารณชายเขาห่างจากหมู่บ้านไปเล็กน้อยมีกุฏิสองถึงสมหลังมีนักพร แห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเดินทางมาจากเวรุวานารามมาประจำสั่งสอนธรรมะแก่ชาวบ้านเหล่านั้นม้าสามตัวเดินเรียงกันเลียบทานน้ำเชิงผากา ร, รกูดกลับไปตามทางเก่าซึ่งเคยมาแต่ในการเดินทางกลับนี้ดูเหมือนผู้อยู่บนหลังมา้าจะมีดวงหน้าเบิกบานผิดปกติ